ผู้อื่นหม่มีของผู้อื่นไม่มีเมื่อเราบ ม, ม่มีของเราจะมีมาเทไถมีแต่ตร่มผู้นัน้นผู้นั้นคนหยืนยันน้องสัตวผู้นั้นผู้นั้นแต่กำลังมากกั่าูนัน้นเห็ น, นี่มิจเกิดขึ้นมากษัตริย์โมฆะซาเป็นรักสักว่ารู้เป็นรักสักว่าเห็นหลดแล้วน่นมันหายไปเองวันเมื่อต้องสมมติถ้ามันหายตายข้าพรวนา กำหนดร่มมหายใจหอกไปเกิดพ่อมาโลขมพนพุนสันสูงพมาเป็ศรัทธาพ่มาเปโหริตตาพ่มาเป็นศรัทธาพ่มาเปโหริตตามหาพ่อมาเป็นปฐมสร้างปฏิตตาพระอปมาน่าผ้าอัปัลราเป็นทุติยสร้างห่วยพ่อเมี แม น, นอยู่พมาไปสทธาปทมมาซ่านสั้นสามัญเพมพราะราให้ตาเป็นสันส้นกลางปทมมาซ่านสั้นกลางมหาพมอมาเป็นปทมมาซ่านสั้นละเอียด สั้นจะละสัสันมีสามมันสี่สามขันเนี่ยปฐมสั้นสั้นสามัญสั้นกลางสั้นละเอียดทุติยสั้นสั้นต้นเอ่อสั้นสัญญาบสั้นกลางสั้นละเอียดสั้นทั้งสี่เนแบ่งออกเป็นสิบสองผลเพราะมมียางกลางยางหยาบยางละเอียดชาตั่งแปลว่าเพ่งอยู่สมาทิสงแปลว่าตั้งมั่นในการเพ่งอยู่มีความหมายเดียวกัน ปัญญาแปลว่ารอบรู้ในการเพ่งอยู่ของที่เพ่งยู่น่ยมันสัตว์มันมุขคลเ่ามันของเจ้าบ่นี่ยมันด่านปัน้าอันเจ้าเพ่งอยูเนี่มันของเจ้าบ่จิตมันจิตเจ้าบ่อันนั้มันสัตว์ปัญญาอันเป็นแต่สักอารมณ์อันเป็นแต่สักว่าจิตเนี่ยเป็นแต่สักว่าผู้รู้ความเขาลมหายใจเขาออกอันนั้นมันเดินปัน้ากับสามารถเสียควบกันอัน ยทถาวารีวาบุราปิปุริสิสะลังเอวเมวายโตเทนังเปตารังอุปกปฏิอิทิตังวิทิตังตุมาหังคิพเมวัจมิจตุสัพเพภูเรนทุสังคปาจันโทบนรสโอยทถามณีโชติระโสยทถาสัพีิตโยอวัจันตุสัพเปุโภสัโยสัโรโวเวนัตสัตุมาเตผวัตวันตรายโยสุขีเทคายยโภ พร ะ, ะอภิวาทนาสีนิสานิจังวุทฒาปยาเยโนจัตตารุธรมมวทันติอายุอนโนสุ ข, ขังพระลังนิพพานังปรมังสุ ข, ขังท้าหน่อยกับเพื่อพระเนผ่านถ้าลหลายกับเพื่อพระเนผานางโง่กับเพื่อพระเนผ่านาลสาลัดกับเพื่อพระเนผานไม่ได้เพื่ออันอื่นมีเกติน้าร่องท่านั้นมีขี้โตั้งไว้ท่านั้น เที่ยวอันอื่นมาไี่ไปอะไรอะไรไปจุกรปชุกกันโต๊ะาสบัพระธุรรับเป็นเวทนารับเป็นทุกทุกอเวทารับเป็นทุกขังวาทุกขังวาอทุคขมาทุกขังวา เสียงเป็นอายตระภายนอกหูเป็นอายตระภายในเสียงเป็นโลกภายนอกหูเป็นโลกภายในเป็นสังขารภายในเสียงเป็นสังขารภายนอกเกิดดับเป็นเหมือนกันไอ้หน้าภายในเมริกาเป็นต้น อาณาตุภายนอกก็มีโูคเป็นต้นเวิญญาณมีจะกุบเวียนญาณเป็นต้นกระทบกันเรียกสมัมปัตติก็ตามแล้ก็เกิดขึ้นหาเวลาไม่ได้แต่ก็แปรปวนหาเวลาไม่ได้แต่ก็รับหาด่ า, าไม่ได้ผู้เจริญมภาจงรู้ตามเป็นจริงจงปฏิบัติตามเปนจริงจงเส้นความสงสัยตามเป็นจริงนี่ปัญนาด้านปัญญา เป็นญาอบรมสมาธิไม่ใช่สมาธิวาตถะอดีตคืออะไรคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่ล่วงไปแล้วอนาคตก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่กําลังเป็นอยู่จึ่งเหล่านี้ก็พร้อมกันเกิดพร้อมกันแปรปวนพร้อมการดับไปหาระหว่างไม่ได้ ผู้รู้ตามจริงก็ต้องรู้ตามหาระหว่างไม่ได้นีราชปัญญาด้านปัญญ า, ญญญาอดีตคืออะไรคือรูปขันนามขันที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือรูปขันนามขันที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือรูปขันนามขันที่กําลังเป็นอยู่อดีตคืออะไรคือรูปประโลกรูปประโลกที่ล่วงไปแล้ว อนาคตคือรูปประโลกอรูปประโลกที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือรูปประโลกและอารูปประโลกที่กําลังเป็นอยู่มีความหมาอยอะไรอันดีตคืออะไรคืออ น, นิจจังที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออนิจจังที่ยังม่มาถึงปัจจุบันก็คืออ น, นิจจังที่กําลังเป็นอยู่ เธอจองรู้ตามเป็นจริงเธอจงปฏิบัติตามเป็นจริงเธอจงหลุดพ้นความหลงตามเป็นจริงข้ามทะเลหลงซักบริโภคจักราเธอขา้าเธอข้ามทะเลหลงทั้งพวงแล้วเธอก็ข้ามโลกอยู่ในตัวเธอก็ข้ามอาดีตอนาคตอยู่ในตัวอดีตอนาคตมีจริงไหมมีมีแต่ชื่อมัน แต่มันร่วมไปแล้วแต่มันยังยังมามาถึงเอาปัจจุบันเป็นตัวศีลสมาธิปัญญาเถอปัจจุบันของพระโสดาบันปัจจุบันของพระสักราคารปัจจุบันของพระอนาคามีปัจจุบันของพระอรหันต์ปัจจุบันสี่ท่านนี้มีคุณค่าต่างกันมากปัจจุบันพระอรหันต์ที่เอามาใช้เป็นเอาปัจจุบันที่ถอนอุปาทานทั้งพวงแล้ว ปัจจุบันของพระสวสดาบันเป็นปัจจุบันที่พ้นทิเละเป็นเอกเทศพ ร, าา พ, ราาพระอนาคามีพระสกทาคามีความสำคันพระอนาคามีควะมสำคัญตอนปัจจุบันพระอรหันเป็นปัจจุบันที่พ้นแล้วโดยสิ้นเชิตไม่เหลือเศษเป็นมหาสมมาเวมุตดพระสวสดาบาลบรรฑ์เป็นเวมุตดเอกเทศแต่เขา้าสู่ ประตูพันผ่านาลแล้วแต่เป็นมมุตเป็นเอกเทศมิมุติของพระโสดามันไม่ไม่ขบถืนมีแต่ตะก้าวหน้าพระสักคาคามีข้อมันกันพระอนาคามีข้อมันกันส่วนพระรหารจบแล้วมิเยนจบมิมุตแล้วนะโมพระโสดามันนโมแปลว่านอน้อมนโมพระโสดามันเป็นนโมเอกเทศนอบนอบกิเลสที่หลุดไปเป็นเอกเทศพระสักคาคามีอานาคามีข้หมันกัน ส่วนพระรหาจบแล้วเรียนนโมจบแล้วพุทธังสนนันั้คสาวิของพระโสดาบันเป็นสนาระคมเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาที่ยืนยันได้ในสุปัจป น, นและก็มีสี่ั้นเหมือนกันสันสักษษาาากาคาอะารกาอะไรเพราะว่าพุโทโธเป็นผู้ผ ร, รู้ผู้รู้ก็มีสี่ั้นเหมือนกัน ผู้รู้ในพระสวัสดิบาลผู้รู้ในสักการะมีผู้รู้ในอนาคามีผู้รู้ในพระอรหันต์ผู้รู้ในพระอรหันตรูดจบแล้วทั้งรู้ด้วยทัชนานุตริย์เห็นเยียยย่ยมด้วยปฏิปทานุตริย์ปฏิบัติเยี่ยมด้วยวิมุตตนุตริย์พ่นเยี่ยมด้วยโดยไม่เหลือพ่นเยี่ยมของสุภาษณ์ปโนเขาพ่นเยี่ยมเป็นเอกเทศอุชุกยั่งสามีก่อนกุศุกยั่งก่อนเหมือนกัน ธรรมะปฏิสัมพิทาฮัทให้แตกฉานในธรรมธรรแต่ละวัฏฏะบาัดส่งต่อพระนิพพานหมดมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาแต่ละท่านนะโมอันเดียวก็ส่งต่อพระนิพพานหมดนะโมนอบนอมในโลกุตระนอบนอบในพระโสดาบันนอบนอบในสัาคามนอบนอบในพระอนาคามีนอบ น, น้อมพระอรหันต์พระอรหันต์นอบ น, นอบจะไม่มีกิเลส ไม่มาเ ก, กิดแก่เก็บตายอีกเลยไม่มีโรคกวดหลงอีกเลยเขารับพระนิพพานเบงต้นของพุทธศาสนายังไม่มีฟาราเชตีสังขารที่เสษที่ ส, สามไม่มีอริยยอดสองไม่มีนี่เป็เคียลายจิตีสามสิบไม่มีปลาิตีขสิบสองก็ไม่มีมแมยังยังไม่มี ยังไม่บัญญัติสินสิกขาสิกขาคือสินยิ่งอาที่จิตตะสิขาสิขาคือจิตยิ่งอาที่ปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญายิ่งยังไม่ทําบัญญัติแต่ก็บรญญัติอยู่ในตัวแต่ไม่ได้ใส่ชื่อนามเฉราะเหตุเดยเพราะธรรมจั ก, กรขปรวัตนสูตรเป็นสูตรเบ้องต้นของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ใดๆมาก็แสดงธรรมจักรก่อนเพื่อนก่อนทำทั้งหลายธรรมจักรนั้น มันมีไตรซิขาอยู่ในตัวแล้วมันมีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในตัวแล้คืออัธถัลกิโกมโคเสรยที่ทาสสงสมาทิติสมาสังคโปราจากรมมรมโตอาชีวะวายาโมสติสมาธิย่นลงเป็นสามคือไตรซิขาอยู่ในตัวแล้วถึงจะไม่บัญญัติก็บัญญัติอยู่ในตัวแล้วแต่ไมาได้ออกชื่อเรือ่องว่าบัญญัติสมาทิตฐิ ของพระสวัดาวัล้ัก็ปวายชากรรมตัอาชีววญญโมส ต, ติสมาธิก็คือพระปูนทัญญัตินั่นเองท่านเห็นอันนี้จังชัดเห็นความเกิดขึ้นแปรดับบาปจะเกิดขึ้นก็เพราะเหตุบุญจะเกิดขึ้นก็เพราะเหตุจะดับเหตุบาปก็ดับลงที่เหตุจะทําเหตุบุญให้เกิดขึ้นก็ทําที่เหตุที่ใคร ยังเกณฑ์จิสมุทัยธรรมะสะพัน์ตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับสูญเป็นธรรมาเท่านั้นพอแล้วครับพระโมคคัลลาสาริบุตรการหนีจากพระทิอื่นมาอุปสมบทในพุทธศาสนามีใครเป็นเป็นเรื่องเกี่ยงอย่างบ้างปัญหาทักทมาเอง จัดขึ้นเดี๋ยวนี้เขาตอว่ามือภาษาดีบุตรโมกขนาเป็นแย่งอย่างเพราะองค์ท่านนี้จากสวนชัยนาทตะบุตรมาเลื่อมใสอาตเชิเมื่อเรื่อมใสอาตเชจแล้วก็เท่ากับว่าเลื่อมใสพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ในตัวแล้วอาตเชิเทศโดยย่อให้ฟังท่านก็เข้าใจความหมายเทศอันนี้จังให้ฟังนั่นเอง นักศึบุตรก็เข้าใจความหมายแล้วก็ไปหาพระโมคคาราไ ป, ไปเจอกันเออวันนี้นักตาของไตรนักคงจะเห็นธรรมแล้วกังมาเล่าให้กันฟังบ้างเออเราไปเจอพระองค์หนึ่งชื่ออัสเชจเราได้ฟังท่านทำท่านแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับสูญเป็นธรมรมดาเออเราก็เข้าใจแล้วเดี๋ยวนี่ไปเถิดเพื่อนไปเถิดเพื่อน ปัหาอาการของพระอาทิจเกิดก็เลยเวลาสนใทยนาฏบุตรใดๆในโลกล้วนใครเป็นผู้เบียดเบียธธนพระพุทธศาสนาโดยทางตรงก็าตามทางอ้อมก็าตามผลของกรรมก็จะตามทันอยู่ การตัดสินรงโทษถูกหรือไม่ถูกไม่เป็นปัญหาแต่กรรมและผลของกรรมยังตัดสินเอกอยู่เหตุฉะนั้นจึงยอมเชื่อพระพุทธศาสนาะถ้าไม่มีกรรมและผลของกรรมเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาะถ้ากรรมและผลของกรรมเป็นของไม่จริงกรรมและผลของกรรมเป็นของจริงเราจึงยอมเชื่อพระพุทธศาสนาะและกรรมและผลของกรรมก็มีอยู่ทุกการด้วย แม่นกหนูปูปีกสัตว์เียราิานมันไม่รู้ว่ามีกรรมแล้วผลของกรรมก็ตามมันทำกรรมอะไรไว้มันก็ได้รับผลของกรรมอันนั้นเหมือนกันเช่นงูก็เขียดเป็นต้นชาตินี่มึงกินกูชาติหน้ากูกินมึงนั่นแมนบอกนิ่นเน่ พระองค์ที่ถูกแหลมหลาเขาซัดเข้าไปเขาซ่อนซ่อนห อ, อกไว้เขาซัดเข้าไปไ ป, ไปถูกพระองค์เพราแต่ชาติก่อนท่านเป็นฤาษีถ้าก็ดเดินซักไม่เท่าไปไปถูกหัวกบตายโดยไม่มีเจตนาเพราะท่านมาถึงศาสนาพระพุทมาพระพุทธเจ้าของเราเขาก็ซัดห อ, อกไปถูกท่านนั่นนั่น กรรมที่ไม่มีเจตนาเรกว่าอาสันเรียกว่าพระหุ่กรรมหรือเรียกว่ากตาตากรรมกรรมสักว่าธรรมเพราะมม่มีเจตนาเดี๋ยวท่านจันคร์คมีอะไรเขาพูดนะเดี๋ยวนี่มาทั้งัง้งทั้งเสีนใดองหนึ่ง ม, มทั า, าวเด็กเออมันสนะดวกเนาะเมื่อเมืม่อทั้งนี้ละเนี่ยย่าสูงมื่ทั้งองสูงเนี่ยเขามาทาั้องสูงบอกอุ้ย กี่พ่อ<า>รเอมันย่างยางเน ย, ยมัดเท่านั้นไปท้งนี้บ้านนี้หูจักวบ้านพอกะเอาหูจักบ้านอันพกเขียงกล่องป่อออกไปนี่ไปพ่อบ้านพกเขียงกล่องเอาเอาูอาห้องอย่างไทั้งสายมื อ, อมไปน้ำจนค่าลุกเลปัดนี่นออกไปเนี่ยอะไรอย่ีไปนี่เลยไปจากนี้ไปนั้นผมยสองกิโลทีสามกิโลก็หอดเขากางบ้านเขากางบ้านเนี่ยยัดสลุไปพุ่นเนอะมนทางมัน ทะลุยกการบ้านนะทะลุไปทั้งหัวแล้วไปซอดทะลุนังทั้งหัวทังหัวคนเออเออนั่นแหละเอนั่นและเออกั้งคนเนยหนคุ้มด้วยการท่านแต่ว่าจไปทั้งมูหรือว่างงานนี่้เกล้งไททงนั่นรอท้มาวันนไปกลับไปขอด่างตลาดย่างตลาดกับ ไปทางกันอ่าเพื่ไปไม่ติไปยังแง่กัลัไปบ่หบ่หบก็ไปเนาะค่ไปนไปยังไปก็ไปนอกก็บ่ขันไปนี่ไปนอไปพ่นไปนอกกอไปพ่นอถึงล้วขึ้นภูเขามดแล้วอือก็เอาไปเส้นี่ก็ะไรเนาะก็ว่ามันจะหัาจะงข่างมันงองงแ่แง่แรงหาบว่ามันข่างงองงง่แงนนไปทงกันบ่้วสัไปทงบวกไปข่องยอมข่งเทนี้ไปออกนี่ไปขุนแล้วนงาตุขุน วันพุหหนหรอปะเป็นอะไรกันนะก็ต้องใส่เออนั้นเนี้ยไปคณมันไปสบายแลยเอาดอกซื้อกระ ต, ตายซื้อหมดไปนะมันจะเป็นอันเขาถือเข้าอะไรวะไปเยื่องเพ่าพันน่าเออรับตปงี้เข้าพี่จันรับไปเชฟบัตรน้องผือห่อ้อาพ่อแม่คุยกันมาแล้วเนี่ ย, ยออน่สุนัขไปเนี่ ซื้อถื่อซื้อเล็กไปหันซื้อเล็กไปหันไปถือนาผ้าที่ัหัน่งเจ้าอิานอ่ะขึ้นว่าอะนี่ไม่เกิดซือไปทำโคงไ่ได้หรอกวามันดีเขากติดทางแล้วว่ะหัวห้องเป็นบ่าวหัวห้าเป็นการออกวบอนะวาเป็นบาเป็นกรรมยังนอกันเห็ุกลยแล้วเกียมเจมาได้อามาทำวัดพันอ่ะผู้ช่ัวทำโคเจอมาทำวัด พะธธรรมโอทังโขนผ่าางพระธรมโฉเนผ่าพะมนาพระธรมโนาาาอะโมตัสสงกะวะโตงกะะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะอะงวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสะนาโตัสสะอง ขาต้อมาบราพระองบานิดหน่อยบูทาเพื่อก็เดินาหัวเท้ากันจำลาั้นาสใช้คำว่ามหาเศรษฐะพอได้ยินคำนั้นผมก็โอนขึ้น ใส่พระสมณะพระพุทธเจ้าไม่ได้รับไว้ท่านทั้งหลายฉลาดพูดคําว่ามหาเถรชั้นที่หนึ่งคือพระสมมาพระพุทธเจ้าทั้งหลายชั้นที่สองคือพระพระเจดทั้งหลายท่านที่สามอารหันตากีนาตบทั้งหลายชั้นที่สี่พระอนาคามีทั้งหลายชั้นที่ห้าพระกทาคามีทั้งหลายทั้นที่หกพระสวดาบันทั้งหลายเมื่อว่าพวกเราทั้งหลายได้ทําผิด ข้าพมหาเทระทงหลายเหล่านี้ด้วยกายกับสามจิตรคสี 4, มโนคำสามอันใดอันหนึ่งมาแต่พก่อนชาติก่อนคดีปัจุบันนี้คดีจะเป็นไปในครหน้าดีขอให้มหาเถระทั้งหลายเหล่านั้นจงทรงอัยโทษให้แก่พวกเราอยู่ทุกเมื่อพลทุกท่าพวกเราจงประสบแตวความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมื่อเถิดและระหว่างพวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้คดีที่ไม่ได้มาดีตามฝ่ายตาม ได้ทำผิดกันด้วยกายกรรมสามิจิกรรมสี่มโนกรรมสามพวกเราทั้งหลายทุกท่านหน้าทวกต่านใจโลคาจงให้อภัยซึ่งกันและกันอยู่ทุกเมื่อไม่มีก็มาผลทุกท่านพวกเราทั้งหลายพวกท่านหน้าพวท่านใจโลกาต้องประสบแต่ความสุขความเจริญบาวและพุทธสัจนาของพระธรรมสัพพะเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยทอบอยู่ทุกเมื่อเธอห้างตุ้มเงี้ยิีเมตุนี้ธรรมะ ยัตถภาภังกตังรระคทสวนังกรพระาเเีกุมตัวเ่าพวพนะเีเริสระงวุฒาปัจเจเนวจักตาโรทั้งมวัชรจวนชุขัพัน่เยพวกมพอคนนิม ขอคุยงอมขออภัยเขาไปยุ่งให้ห่องน้าผู้ขาไปสะก้อนตะกัเอาบุญมาให้ละอ๋อทำนะเราตงไปยุ่งทางใต้ตะก้อนกันไรเนนะ้ะแต่เมื่อไปอยุ่งทางใตหรือว่ห่องขันเน้อตัวเหมนหลอดขานพวกนี้นนะข้เป็นจริงว่าถุดนไปยุ่ซร่าหมนันมนมันตกมันยัมันเอาบข้มันเอาบุญมาให้แต่เอาังติดเบ อีกกนอนราคาที่แปดปีนี้เหรอโอ้่แปดสนมาทังแน่นอะแน่นไม่พอขวาหอกถักแน่นแม่งร้าไปได้ยี่ห้าหมันแปดันสิเอ็ดนแหละโอ้ยขอดียี่ห้าหมัดนะพันสิบเอ็แน่นแปดอ้ยแนะข้าวทีถ้าเสิร์คู่กันในจารแต่ละคัสชีวิตเินตายเลยเนี่ยโดนมว้กอดเขยด้วยเข้าไปเอาไปตรว ก็ไปนั่งงตรนน่อนนั่งก็เหนบบน้นะนงกอกมากย่อย่อเข้ามาออกมาเข้ามาเออเนี่วันวายวันหลัวนี้ันวกปูกันมั้นี่ยมันลอยนี่ขาตรงหลียยงมันมัน่าต่เนนี่ขาตรงเี้ยง พวกนั้นมากหรเ่พวกนั้นย่างมากมากย่างมากเจ้าองค์สามองค์เออสามองค์ไปอเอแเขาฆาไปงานศพชาวภรริกอาหัน่ามเน้อหรือเปล่าไม่กินเลยไม่ นั board, board, board. ้งหมดทดานเอานาโกดิฟานเอาะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมิจตันะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบูติจตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต ม um ัวแต่ละใไมมม ตโันเตเรวามนนัสตาวารตะเยนกตังสมาลาวะรังคามโนภันเต ไมยไก็จะเขาเขารักต่อ่ะจะรักอานีงให้ตเมขั้งนี้ับ้างทวารมือเอวังหเอวัหตะกเก็มาควาตาตนะพุทธจิตตโหมังโลกันตภทพเสียภามุตโตวจนิมายัสสปะปังกตะปังกมังเตนะพัหียติโมังโลกันตภาียามุตโตวจฉนิมาตาะนที่นิจังวาปตโน จตารอธรรมาวัันเตยอายุวันโอสุขังสาธุเตยรับมาให้เอาวาดเข่าก่อนท่นน่อยนะเอาวาดเข่าก่อนต้นผูกทำไมต้นผูกเก่ากัไมีแต่ห้าว่าผูเดียวมึงมีเที่ยงนี่จึงบอกเป็นนี่รับอมเชื่อนี่แค่ห้องผูเดียวหลอกมึงมีเที่ยงมาจากทั้งใดไม่เลย หลายจังหวัดอยู่บะหลายรูปหลายจังหวัดรูการมาอยู่ก็ผู้บาอาจารา ย, ย์เมื่อหาแต่ยากคือได้ผู้ศิษเ์ซ้แต่แหวงหาผู้บาอาจารย์หายากรูปจังใจมากแล้วจังใจปฏิบัติแน่ะมาอยู่ซื้อโดนบวชแล้วมันจิได้บุญบวชไดเ้เราใช้การเหตุการณ่ธรรมเราเพราน่าบิปผีเราหลุดนะเด่วกันเอาบวชเหตุเราังใจ อายุนั่งผู้บายจานอายุเพิ่งกัดเท่ากับแจแล้วเพิ่ เ, เมตตาแล้วเข้าไว้สนองพมเมตตาเป็นซื่อแต่ทำกลมเพียนของเข า, านี่นะอดนอนควันอาหารบั่วใจเหรอวัน้รรมตาไม่กินอดนอนอดขอกัได้ไม่กินตายจะกินเป็นตัว้อผูบายจานก็หลวงระไฟหลวงระไผ่ผู้ซือทอดห้ยหลังนี่บบไคลมี มีอยู่แต่มันผมมีคุณธรรมบว่วเป็นวัตถุแล้วผมนั่แหแต่ว่าต่างค้นต่างตังใจปฏิบัติแต่มันมีหลักแค่จะคล้องมันไม่จะคล้องผมีหลักแล้วไปใช้มันก็ห่อนเพราะว่ากิเลสมันอยู่แน่แต่ของเฮามัน ข, ขอจะคล้องแู่อีกอย่างหนึ่งการมาอยูุนักผู้ใหญ่การท่านตังใจมากเอง มันเพนนี่มันเข้ามาเย่าสิต่างปัญหาในกระทบกระเทือนผู้บาดเจ็บเขารักษาเข้ากับท่ากันกับเขารักษาผู้บาดเจ็บอยาให้มันกระทบกระเทือนกันถึงมันมีเข้าไปให้ใหเอาไข้กันอยสิตือกันปันที่การผ่านมันบัว่าผูหน่อยผู้ใหญ่ค่วมทิดยมันมีอยู่ทุกคนกันเมื่อคิดผ่านลงไปแล้วให้ระวังรักษาต่อไปเยสิตื้อเยสิตือใส จิว่วาผู้นั้นมาเหตุจังสรนร่วงเขือนเฮาจังสรรจังสีอันนั้นมันก็เป็นกิเลสอันหนึ่งซื้อว่าเฮาถือซื้อว่าเฮาถือซืว่าเฮาถือใจใจเมันบ่สืกได้ไหวนี่ยพรอมนันพร้มันสิิีเนี่ยี๋้ว้อมถือใจมันเกิดพวงโกรธพเฉียดเกินมากว่าผู้อื่นมาว่าไอ้นี้หน้าเูาเคถือตัวยีกมาอันนี้มันเป็นกิเลสตอนมันว่าเฮาโกรธอีกถือถือพ่ถือมันก็ถือยื่กากนบ่ถือใจเฮ่าเฮาแต่เฮ่าใจเฮ่าบ่ มันโกรธแสดงวามันโถือียติดังปัญหาให้ผู้บาดฌานคนนั่งใจเขาง็ยนนั่งเป็นเป็นยนืนสบายมันสำหนามน้องเดี่วกันผมก็เคยบอกพี่นี่สำหนามน้องเดี่วกันย้อนขีหินผมล่องเมื่อกาเทื่ยวนวดผู้บาดจานม่นเป็นเป็นคนปูใหญ่อยู่นี่แต่ทก็มันเป็นน้องกขาว่าได้ห้องติไปทะเลาะกันเล็กๆน้อยกันยินและเพิ่งก็ได้คิดไป แ น, นั้นแบบเป็นสงวลน้ำเผาอย่างนันจให้สางปัญหาให้เป็นนักใหญ่ให้อดเอาหา น, นุนนนนให้น่เอาให้อภัอยกันกันให้อภัอยกันมันเป็นมหามงคลอยู่นั่งกันจะเป็นจุ๊บบละค่ายภาวนากึงง่ า, งายสานักบรกละค่ายกันภาวนาไม่ก็ผคิดเห็นจังเจ้านายคนนั้นคิดจะสังคนมัน คมไมค่อยจะบอกอะไรนะเพราะฉะนั้นถ้ากันตั้งใจเพราะว่าน่ามาอยืนผู้บาดาจ็บมาหาอยากได้ผู้บาดาจ็มาหาอยากโกเทงก็ค่อยโกเงินโกข้าม้ด้ตลาดดิไปข่อยเขาไมีเงินเอาไปเสือกใส่ผู้บาเจ็บนี่แสวงหาแรลบเจบตัดจังหวัดหนึ่งมันมีจ้าองค์เมื่อเดกมาอยู่น้ำฝนสมกวนตั้งใจนะไปเขากันตั้งใจพราะนิประมาทมันหวงับไปแล้วจนติดเสียดายน้ำหลังดิ โบผู้บ่าอาจารย์ยืมห้องปฏิบัติทางใจเวลามันเกิดพัดของถึงมักวาหน้าโบแกโบตกเล็กสิไปบ่อยคุณได้ฟังคุณได้เมื่อก่อนมันก็เพราะาใจบมันก็เพคาะ้าใจเพราะว่าห้องผเสื้อฉน้องเสื้อถีอผู้บายอาจารย์ทางใจท่องเที่ยววันหน้าเดินจนผมวัดเหนือยวัดขึ้นก็ไดตัววดเหื่อกระไดไสแง่ะฉันอย่างนั้นแล้วหอนปั๊ดตางผมเคยเห็นอยู่ด้วยขึ้นไปใช สองกุมสงกมุ่มเดินสอดเทียมรถบัสายนี่นะเนี่เมันจะเป็นมันงดีมันคือาวบดีมันดังพ่งอ่านทางโหน้โมกขึนเขียดมันก็ตงมีมดีแท้ๆอย่างนี้ภาวะดีจรงๆเลยแหละมันต้องมีค้อมดีเนี่ยเฉพามผู้อื่นบาวาดีกันยากันเท่านั้นแต่เย็นใฉเทามีค้อมดีต้งมีคมดีก็กป็อย่างดีผมคิดะ ก็เห็บอกว่าอย่วเันวบอกดีมรับต้อต้งมันไม่เจือเมมันีกระดูกเจือเมื่อมันติดตรงนแล้วก็ะสเรประมาณแล้วมาเห็นไหมนเคือควน่ได้อาเรียกว่าคาปราเปรเกนที่จะการเอามีมาอีกคนทนั่งทนที่ติันื่อวันนะ ให้ผู้เ ร, ร, รียนดยสังฆาชันดูนนะทุกอย่ามชโลชยาิโยยนุสัพพะโสโยโสโรุตมาเตควัตนปราโยสุกีติขายโกโกอภิวาทนาสีนิสานิจังมุชาประชาเยโมชมัชานิยยุกขพระลูกเปกเป็ดกเปว่าอหวพระหน่อยนึงก่อ อะไรางสอดาโต๊ะซจ่งพระเจ้นโรู้จีพุทธโอทมโสองโคสามเถื่อละคับก็ได้เยอะขันนอนนีเสีนอนซื้อแห่นอนภาวน่าให้รับค้าภาวนารลดมันจัมเสียเชียร์ขันมือได้นอนบรับค้าภาวนานี่มือนั้นประมาทได้รอรือหลงสันว่าพอใจปอนอ๋นออะไรความก็ร่มให้ใจเขาออกไปไปรถไปเลือกกระตอกภาวนาพุทธโพุทธโอความก็รมให้ใจเขาออกมันจัมภไม่มีอันตราย เอยู่้รทเออเออี่ะเออเออไปเเรค่ตางปมากเออเออมมรวนานีเรื่องมตเ่อันนี้เอาไนวค่ะค่ะ โอ้เอาละเสร็จท่านี่ละไปไปมู้โตมู้โตลงไปอย่างวุฒิกันไปบางม่บางพวกผูุยุคนเนอะอยา่ให้คนนักใจญได้มาไล่ทิศไลยทั่งถึงบางผู้ยุคอนเขาสิทธิ์ไปตามเรื่องวงเรื่องของผู้ว่าอาจารย์่นนักใจเอาสั้นละฮะเนียก็คืว่าถึงบางบางโม่บางพวกบางผูยุคอนนั่นแหละของการปฏิบัติคือกันเนี โบเบิรงโมบิรงขวบย่มหลังจังหันคือกันย่ำลงเซล่าหมูอนเสร็จแล้วเบิร์งไปนางโอรุบางคนเป็นนั่นนั่นกบบนี้มันบุตีขอวัดทุย่างแข่งกันไหมสิ่งกันแย่งกันมันจึงเป็นนั่มันจึงเป็นมงคลมันจังมวนไหมบางคนต่างฉีคขาดหนุ่บุญเจริญในศาสนาล้ังเอาไว้ได้สลัดแต่เห็ดเห็ดจะเป็นของของห้องกันยินให้ผูบาอาจารย์คนนั้นใส่การ ทะเลาะกีฬากันนึงพยายามอดทนย้า้มันมีอย้ายมันมีถี่ถี่เพราะว่ามันเสียครูบาอาจารย์เสียเฮ่าเนี่ยมันกระเทยไปเสียสํานักห้องครูบาอาจารย์มันมันสาคัญเนี่ยเฮ่าอดเอาคิดใจเฮ่อย้า้มันกระเทือนของกระเทือนครูบาอาจารย์มันคลื่นน้ำบวกเดียวน้องเดียวกันกันก้อนขีนหินทิมปลอมทุก่อนขีดทิมปลอมล่องทันนั้นมันกระเทือนบัดหองมันกระเทือนถึ้งสำนักครูจาหย์เพิ่นนักใหเพิ่นเป็นห้องพ่อขอมไส้ของเฮ่าก็ย้ายเพิ่นนักใหญ ระว่าการบอกการยังยังกระทบกรเทืบทั้งคนจริงบางจริงบางอย่างให้เข้าให้ยระงับกันให้่ไปนี่ยิ่งทั้งคนบดบวชกูแนวพอ้ระงับไดญ่บางจริงมีเรื่องยังกับไปชอให้เพิ่นนั้งใจน่แหละกับบดีขันพีเรื่องมี่เท่าบ่ให้เพิ่นหูจักเลยกับบดีมันมันทองยูครับผู้ม่หนาผู้นึงอีกเปิ้งใส่บ่ไดู้่พวกายทีมัน ธรรมดาของหลายอย่างมันก็ต้องมีการกระทบกระเทือนกันแต่ว่าการหาย่อภัยกันการอดทนไวการให้อภัยกันถึงว่าเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นบุญหลายหนการหาย่อภัยกันบ่ห้ยถือสาว่าผมบนนี้มาขอนิจัยจากท่านด้วท่านจึมาบอกผมอยังมาสอนผมอย่างผมมาหาครูบาอาจารย์ผมบนนี้มามุงมาเพื่อท่านอย่างนั้นมันเต็มที่ทีมานนะเข้าถือคว่ำถือคว่ำ นั่นเป็นประมาณเยี่คือทิฏฐิมานาเชิงกันไพบอกคำมันถืกเข้าฝเอาเสิยาผู้บายจารย์เพิ่งกบบึงบััวบัตเนเมมูปวจะน้องกันมั่นหู่จักกันอันบอกเตือนการขาดเยสิมีทิฏฐมานาทํานองนั้นอันหุนจักว่าเจ้าของผิดหรือเปลก็อันนี้มันผิดพีเจานาเจ้าของอยากจเต็มถวดผู้คนบอกผู้คนบอกคันบ่อหลายเติาเพิ่นกับโปก้าบอกกันป็นไรดิคิดเถอหนึ่งสองเธอสามเธอคนนี้ผู้บอกกันก็ได้ กาบอกกันมันก็จะใส่อารมณ์เพราะว่าเฮ้าของผมเป็นูบาว้จานเฮ้าสินั่นเขาถึงวอกดูกัน้วยค่วมเป็นมูเป็นขั่วกันยังที่ใส่ขอมโขดใส่ข้อมโขดเบากันมันึู้รับมันก็รับไดาว่าเฮ้าเป็นผู้หน่อยเป็นผู้รล่าเพิ่นนี่มันก็เป็นทั้งสองกันสองไฟทันเรเมาไปัมันได้ มันถจะเิดต้านมาอาาาสีสาเดือนคอต้ขวังไม่คิดนะเราอยากให้นยงานเราเรียสกอตต์ะไรมเที่ย <c oughs> มันตัางในภาษากัาคกันต่างใจทำพรมป่าพรมเทียนในกู้บาลจันจูงลายคนกะเ่ากะแจพแห้งเดือดคนเทียนใ้ฟางกับบุญหัวหล่ะห่อป็นเห็ดเอาบุญดอดทำพรเทียนนั่งอกขนาะไห้เป็นเรื่ อ, ของของเจ้าของเยอะไปไหนกูบาลจันนี่คือมูอขวกบังคับ มันจะล้องบังคับจะคลองมันบอเป็นอย่งนันผู้เรีนบังคับอยูบางที่มันก็พิจใจบ้านทํานพุ่มเถาะพุ่เพี้ยนดยกสีหยนมันหลายมันหลายโผล่โมล่เนทอดแยกผู้บานจนจนตายแตกมันแบบนี้บอว่าหลายเดียก็พอจะเจ้าพอได้ทานี้ที่มนทั้งพุ่มเพี้ยนเพื่อผลเขาโซลัสะพุ่มเพี้ยนจนโกลมจนฟ้าจีนแตกเพิ hmm. ่ง <alk> ก <ossa> ็พอได้ทานี้ว่าท่านนี่พุ่มเพี้ยนก้าเกินไปบบควนทําอยางไหนเพิ่ก็พอได้ทำนี้ว่า นี่แต่ว่าทั้งความเพียรข้ามฉันระเสิรนไปยังสั่นในห้องในนอดลายจนหมอนจิ้วเป็นบริทระเสิร์นได้เลารทังคดีมันเป็นยากแม่คือห้องขึนคู่นี่แหละขึ้นที่สูงขึ้นนมาแล้วอากาศมันก็ดีเลียวไปนทางอื่นมันเห็นเห็นไก่บุคืลอยู่ในสั่เห็นอยู่ในสั่เลี้ยวขึ้นฟ้าเห็นทอปากสใจของห้องมันตั้มมันเป็นยังไงตั้เห็นเจ้าถู นี่ผู้บาดยานเป็นนักเตะอยู่น้ำต้นห้าม้าห้ามาหาเพิ่นบนเพิ่นในมอนเ้ามานีผมขอเบาวันนี้เราจะมาสร้างปัญหาให้ผู้บาดยานนักใตะห้ต่างคนต่างองค์ตั้งระวังไปเดียวจะให้ผู้บาดยานนีกระทบเทียนทั้งคิดเพิ่นถึงเพิ่นสีโเป็นยังจะเพิ่นก็ดอดคิดบดายันมูควบถือกันผู้นำในน้องเดียวกันนี่นะมันจะเป็นทํานอกนั้นดูคิดดูฮ่าบ่ถือกันเพิ่นจัห้าวิธีแล้วครับยางตั้ ต้องอคิดน้ำห้องห้องมีัน่นอูพนสามกีขันาสรงขาโซ่ขาโอขึ้นม า, านำทำโฮ่ให้งามตังองค์งงายก็ได้งามบัดว่าสถานะไปได้งามเป็ น, ปนร่ทไรคนนึงยิเสเสียคนนึงรายอ์เสียายอาว่าผมมีคนมส <laughs> <c oughs> ไรไนหรือเลาน่ยังไไเาจะนัรนว่าะเี่ยัแก้ง่ คือยี่งและงอคับจุลนาร์แบบนี้เนี่ยคับจุลนาร์แบนี้นีพยานนี่แวเพื่อนี่ยานนี่ทองกว้างหน่อยนะเราะเพื่อนๆก็คงมันก็เข้าเยอะนะคืพื่เป็นเหตุอะไรคงจะเข้าเยอะน่าทึ่งอ๋อข้อ้อยกันอะไรฮะ